แทนที่จะมองว่าเกิดภัยอันตรายขึ้นแล้วแก่พุทธศาสนาแล้วฉันจะต้องทำอะไรหรือฉันมีความรับผิดชอบอย่างไรบางทีดีไม่ดีก็จะยกศาสนาไปให้เป็นของพระเสียเลยเหมือนกับว่าพระเนี่ยเป็นเจ้าของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นของพุทธบริษัทสีพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วพุทธบริษัททั้งสี่ไม่ใช่มีแค่พระฝ่ายเดียว แต่มีทั้งพระสงฆ์และญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาหรือบรรพชิตและคารือหัดทั้งหมดนี่เป็นเจ้าของพุทธศาสนาเรามีสิทธ์เท่ากันญาติโยมถ้าอยากจะบวชก็มีสิทธิ์ที่จะบวชเท่ากับพระที่บวชมาแล้วเหมือนกันในเมื่อพุทธบริษัททุกคนมีสิทธ์เท่ากันทีนี้บางคนในหมู่พวกเราเองก็ใช้สิทธินี้เข้ามาบวช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 เรื่องนี้ต้องรีบแก้ไข